สวัสดีค่ะสวัสดียูเซอร์ทุกๆท่านนะคะที่คลิกเข้ามาที่ยูทูบชาแนลพลัเจอผีนะคะแน่นอนค่ะว่าเข้ามาที่ช n แนลนี้แล้ว จะพบเจอ ก, กันกับเรื่องราวของพระอริยะต่างๆที่มีปฏิปทาดีนะคะที่ออกวิเวกแง่ออกสแสวงหาเพื่อหนทางหลุดพ้นจากกิเลสจากตัณหาแล้วก็หลุดพ้นจากจิตใจของตนนะคะเพื่อที่จะอยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นะคะก็คือการรอดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากสังคมเกิดจากตัวเองเกิดจากจิตใจนะคะเพื่อที่ จะสแสวงหาตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะมีพระหลายๆท่านค่ะที่มีคุณูปการดีเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สุ นะคะหรือว่าจะเป็นหลวงปู่คูลปริสุทธโธนะคะแล้วก็อีกอหลายหลายท่านจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นพุริทัดโตนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ท่านไปประสบพบเจอกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอนิทานต่างๆที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันนะคะ วันนี้ค่ะจะนําเสนอนิทานสอนใจก่อนนอนและกนันเนาะสำหรับใครที่คลิกเข้ามาฟังกันวันนี้เสนอเรื่องกระจกใจนะคะเป็นนิทานคุณธรรมมีเรื่องเล่านะคะว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองทุกๆเช้านะคะผู้ที่เป็นภรรยาจะแอบดูเพื่อนบ้านผ่านกระจกหน้าต่างชั้นบนแล้วก็จะคอยรายงานให้สามีฟังเสมอว่า เพื่อนบ้านคนนี้เพื่อนบ้านคนนั้นซักผ้าไม่เป็นเลยเสื้อผ้าสกรปรกแลืเกินไม่รู้ว่าใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรหรือใช้วิธีซักอย่างไรฝ่ายสามีก็จะกล่าวแก่ภรรยาเสมอว่าอย่าไปสนใจคนอื่นเลยเราซักผ้าของเราให้สะอาดแล้วก็พอแต่ภรรยาก็ยังคอยแอบดูเพื่อนบ้านค่ะผ่านกระจกหน้าต่างชั้นบนอยู่ทุกเช้าแล้วก็จะคอยรายงานให้สามีฟังทุกครั้งทุกวันเช่นเคย ต่อมาค่ะวันหนึ่งภรรยาก็ได้วิ่งลงมารายงานสามีด้วยท่าทางประหลาดใจนะคะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เสื้อผ้าของเพื่อนบ้านเนี่ยคือขาวสะอาดผิดปกติอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาเปลี่ยนมาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรหรือทำอย่างไรฝ่ายสามีก็หัวเราะนะคะแล้วก็กล่าวว่าเมื่อเ ช, ช้าฉันตื่นแต่เช้ามืดไปเช็ดกระจกหน้าต่างชั้นบนจนใสสะอาดก่อนหน้านี้เนี่ยกระจกมันสกรปรก เธอมองออกไปข้างนอกก็เลยเห็นแต่สิ่งที่สกรปรกไปด้วยในแง่คิดทางธรรมนะคะคุณผู้ฟังทางเราจะมองคนอื่นผ่านกระจกคือจิตใจของตนเองถ้าจิตใจของเราใสสะอาดเราก็จะเห็นแต่ความดีงามของคนอื่นแล้วก็มองเห็นสิ่งรอบๆนะคะดีไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราขุ่นมัวเมื่อไหร่เราก็จะเห็นแต่ความไม่ดีไม่งามของคนอื่นแล้วก็มองเห็นสิ่งรอบๆตัวไม่ดีไม่งามไปด้วย การที่เราได้เห็นความดีหรือความไม่ดีรอบๆตัวเราแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่เองดังนั้นนะคะเราจะต้องพยายามฝึกจิตใจทำใจให้ใสะสะอาดปราศจากกิเลสให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าปล่อยจิตให้ขุ่นมัวจะส่งผลให้เราเนี่ยคิดชั่วแล้วก็มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์ติดตามมานะคะแต่ถ้าฝึกจิตฝึกใจทาใจให้สะอาด แล้วก็ส่งผลให้เราคิดดีใช้สติปัญญามองสิ่งต่างๆในแง่ดีเราก็จะมีความสุขในที่สุดนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องกระจกใจค่ะถ้าเรารู้แล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติคือสมาธิปัญญามันไม่เกิดหรอกเพราะเรารู้ที่ดูจากหนังสือฟังจากผู้อื่นมันเป็นเพียงแค่ความรู้มันเป็นเพียงแค่ปริยัตมันยังไม่ถึงขั้นปฏิบัติปฏิบัต กว่าจะเป็นปฏิเวทได้ก็ไม่ใช่เรื่องน้อยพระพุทธเจ้านะคะท่านตรัสว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดที่เหตุเราต้องสร้างเหตุสร้างปัใจจัยให้ถึงพร้อมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ